ทำไมไม่สบายใจใจนะไม่สบายใจท่านก็ว่าเวลาโกรธนี่ให้ถามตัวเองว่าอันว่าตัวเรานี้อยากสบาย คือปากมาบอกว่าอยากมีความสุขอยากสบายใจแต่ใจ ความไม่สบายใจเกิดขึ้นทันทีไม่จริงมั้ยจริงมั้ยพอโกรธเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจทันทีแต่เราน่ะลืมนึกถึงตัวเอง โรงมันเป็นอย่างนั้นไปทำลายคนอื่นมันนิยามว่านิยามอย่างหลักนิยามแบบปรมัตถ์ท่านบอกว่าโทสะคืออะไรนิยามนะท่านใช้คําว่า คือถ้าหาว่าเราพูดอย่างเป็นสิ่งเป็นของเรากระบวทําร้ายสิ่งสิ่งนี้แต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้กับการรับรู้ของเรามันเป็นอารมณ์ดมกลิ่นคนกลิ่น มันจะทําลายทําร้ายผักสายอารมณ์นั้นทัน ลำพังว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งใดนั้นเรามักจะหลีกหนีจากสิ่งพยายามจะห้ามว่าอย่าอย่าด่าหยุดหยุด อยู่คิดหยุดทำลายหยุดผูกใจเพียงแค่นั้นหรือเปล่าไม่ครับเราเก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปคิดบาง แล้วเมื่อคิดไม่เหลื่อมก็คิดแบบผักๆแต่มันผักแบบไอ้ แล้วเราก็เอามาปลูกเผิกไว้นี่มันตนเหมือนนี้อโศส บางทีมีเหตุผลเลยเวลาคนโกรธถ้าจะฆ่ากันเช่นด่า ไอ้เป็นรูปใครเป็นปริยาเป็นสามีก็ฮะมันจะเป็นอย่างนั้นเชื่อยอมรับมั้ยยอมรับ ได้เหี้ยฤทธิ์หรอกมันไม่เป็นอย่างเราเลยเราถือว่าถูกในหมู่เรานะเราก็แสดงความเห็นพ่อฆ่าแม่ตายแล้วๆไอ้ไอ้ผม อยู่ที่สมุทรปราการมันมีรั้วไอ้ข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยอาจารย์ปลิวข้ามรั้วผมมาหมอปลิว เขาไม่คุ้นกับเราอ่ะจึงไม่ได้เอ๊ะไอ้ระดับ ไอ้ที่ไปอยู่คันธารามเมื่อก่อนตอนนั้นอยู่ดุสิตผมก็เคยอยู่มาหมดหลายสิบปีแล้วเคยไปอยู่ช่วงนั้นตอนนั้นเดินแล้วก็มีเรื่องไอ้ครอบครัวเนี่ยก็เป็นตำรวจปราจารย์เค้าทะเลาะกันที่ ทำไม่คิดหน้าคิดหลังก็ไม่รู้ไม่คิดหน้าคิดหลังไอ้อย่างนี้ยังเพียงแต่ว่าถ้า นี่ท่านเพิ่งบอกว่าเป็นตัวปลัดพุสะรายอารมณ์เป็นตัวทําลายอารมณ์ไม่ชอบไม่ต้องการผักสายอารมณ์นั้นแต่มันผักนะฮะในความอาฆาตเคียดแค้นโดยที่ แล้วถ้าอธิบายเยอะออกไปถึงโทษของมันเนี่ยท่านจรนายไว้บาง พอเกิดชาติใหม่ต่อไปเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มันเป็นตัวทําลายไว้นะอันนี้เป็นเป็นข้อหนึ่งแล้วคนไม่ อยากจะแยกก็กลัวไปเร็วนี่ก็ถือ 2 หมวดของโทสะนั้นเอ่อการแบ่ง การความกระทบกระทั่งความประทบกระทั่งซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของความโกรธโทสะและทุกข์สลายแต่ของ 2 สิ่งเมื่อมา อ่าปกติภาพเกิดเสียปกติภาพอาจจะทําให้เกิดแตกทําลายเสียหายได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิด โกรธล้มทั้งยืนเลยบางมีคนบางคนเป็นเพราะโกรธโกรธๆนั้นเกิดความ ไม่เป็นกระบวนผู้จาวมาดีจะพูดปิดพูดถูกนะคนโกรธอาจจะด่าคนอย่างงี้ด่าผิดเลยด่าเล่นเข้าตัวเองมันชุลมุนวุ่นวายอย่างนี้ เอ่อก่อนที่จะพูดถึงสังฆาริกสังฆาริกนะเอ่อส่วนประกอบใน 2 ส่วนนี้ ไอ้ความโลภนั้นให้มีอาการเป็น 2 อย่างเป็นทั้งรากและเครื่อง เรียกว่าอสังขาริกถ้าเกิดขึ้นโดยการถูกชักชวนด้วยกายวาจาและใจเรียกว่าสะสังขาริกที่เราเรียกได้ว่า รูปวิญญาณได้กลายเป็นกายปยโภคะรูปวิญญาณคอนเป็นมั้ยหูมองตา โดยกายนี่ทั้งหมดมีถือเป็นการยั่วโดยกายนะฮะถ้ายั่วโดยวาจาก็ครูออกมาเป็นรูปแม่มองตาด่า จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าเค้าอยู่อ่ะมันมีมั้ยแต่มันมีก็อย่างที่ผมว่าคนที่โกรธคนเกลียดคนอื่น แต่ไม่อยากจะให้ลองนะเพราะมันเคยอยู่แล้วไม่ต้องลองหรอกแล้วเมตตานี่ต้องลองเมตตาเนี่ยเราเราได้ประจักษ์ เกลียดสัตว์ใดสัตว์ 1 เป็นปกตินะรักสัตว์ใดสัตว์ 1 เป็นปกติคนนั้นเนี่ยจะ บางหนีบางไอ้เจ้าของก็ไม่รู้เพราะว่าเวลามันจะข้ามยุบไอ้อย่างไรก็เนี่ยมันขโมยมัน ลักษณะคนอย่างนี้ทําไปเกิดชาติใหม่อะไรใหม่แล้วก็ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ถูกประสัดบางประเภทก็ได้เคยทําอุปกรรมกันไว้คนที่ตีหมาเหมือนกันอันนี้ก็ แล้วตอนลวนเนี่ยจะผ่านไปบ้านใครก็ตามถ้าไปเจอหมาที่มันเกลียดเป็นสัตว์สังฆาลิกเออเป็นอย่างนั้นแต่ได้ตรงกันข้ามกับจริงๆเลยเดินตามหลังหมาแล้วแก แต่แกเป็นคนที่รักเป็นมิตรกับหมดเลยดูเหมือนว่าหมายิ่งดูใจยิ่งถูกแกชื่อเอซูตัยยงน่ะมีน้องชายชื่อจลลักษ์แต่ตัยยงเนี่ยแกดติมันก็ดีแต่ไม่ถึง อันนี้เป็นเรื่องของทางจิตที่ทักทวนได้นะซ้ําๆเนี่ยมันจะต้องออกไปว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ 2 อย่างว่าไอ้ส่วน บางเป็น 2 เพราะเหตุเกิดคือเครื่องตรงแต่งว่าถ้าเกิดเองต้นอสังขาริกเกิดโดยกําหนัดชักชวนให้เกิดเป็นเป็นบาป อย่างเช่นเช่นพระเทวทัตอกโรธพระพุทธเจ้าเป็นอสังฆาริกเห็นแต่ว่าชั้นเลวที่ ฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรที่บอกว่าเราถูกใจว่ายังไงน้ําจะติดอย่างนั้นถึงต้องรู้จักอโหสิกหลักอโหสิกเนี่ยสําคัญเวลาที่เราๆแล้วตอนจะตายเนี่ยก็ต้องอโหสิกอโหสิกแก้ เอ่อสําหรับบาลีแปลต่างๆนั้นผมก็คงจะไม่ต้องกวาดนะ เกิดขึ้นมาจากเหตุขึ้นมาจากเหตุที่หนึ่งก็คือพยัคคตะที่เราพูดถึงเมื่อ ญาตินั่นก็ถึงญาติมันรวมๆด้วยนะที่เรามีความผูกพันอยู่จะเป็นญาติๆนะครับเราได้เห็นภาพอย่างนี้ เป็นบทเรียนกันมาแต่อดีตมากมายแล้วถ้าเป็นอยู่นานๆนะหรือตอนที่เกิดปยัตนะขึ้นตรงแถวๆหรือแม้ ก็ถือว่าเป็นญาติในรูปหนึ่งที่ถ้าหากว่าคน เราก็ฟังตัวอย่างกันไม่ให้เกิดบ่อยแล้วนะฮะก็ว่าได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเรา สอนไม่ให้เกิดอันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับให้เกิดอันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับ แม้แล้วอะไรกับตัวเองก็เห็นชัดที่ตายแล้วก็อะไรกับตัวเองก็เห็นชัดจิตใจนะกับคนใกล้เคียงเขาก็มาคอยห่วง เมื่อเขาเป็นห่วงใหญ่นั้นก็ทําให้คติของเขาไม่ดีสมว่าเขากําลังจะเอ่อตาย ถึงตาตายและตายถึงเค้าอยู่ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่จงละความห่วงใยวิตกกังวลนะขอให้นึกถึงธรรมะนะๆเหล่านี้ ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นอันใดที่ลูกได้ไปทําบุญเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาส่วนรวมก็ขอ เอ่อก็พูดอย่างนี้ท่านก็จะได้ตายไปด้วยความสบายใจเราก็มีความ สะเทือนปัญญาท่านบ่อยๆไปเยี่ยมผมชอบน่ะใครป่วยอะไรนะช่วยแนะนําเท่าที่เรา ที่เราได้กลับมาเพราะว่าธรรมะนั้นได้สอน มันความเสื่อมในธรรมเนี่ยมี 2 อย่างธรรมที่มีแล้วเรามี เสื่อมไปมี 2 อย่างเสื่อมไปสมัยเรายังอยู่แต่ทรัพย์นั้นที่น่าไปโดยประการใดๆกับเราต้องทุกชนิดเราเลื่อนไม่ได้เลยๆครับเรา ใครมีพ่อมีแม่ทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ให้ได้ดูนะท่านไปเห็นแล้วเนี่ยอาจารย์นิสาเล่าถึงสุคุณพ่อ <c oughs> ท่านเป็นคนเรียบร้อยนะบัญจุบันทึกเขียนอย่างดีนะเป็นคนเรียบร้อยถึงแม้เครื่องก็เจอ แม่กุญแจอาจจะหายไปนะลูกมันอยู่แม่ตายแล้วลูกที่เนี่ยดูสิเนี่ยอนุรสารักษาไว้น่าจะขนไปด้วยนะ ไปตัวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอ่อที่เรามีโอกาสเกิดสังเวชในส่วนนี้บ่อยๆเนี่ยก็คือคนรวยๆตายครับผม โอ้เห็นชัดเลยโอ้ดูสิตั้งแต่ป่วยแล้วแล้วก็มาเสียชีวิตนี่เป็นโคคังแล้วถ้าเราไม่ว่าจะบอกว่าเรา แต่คนอยู่ที่ล้างมาจะเศร้าโศกนะความจริงคนหน้าร้องไห้อยู่คนตายก่อนบอกแม้นี่ คำพูดที่มันออกจะเป็นลักษณะเทคนิคหน่อยๆแล้วบางทีแบรดที่ทูลแต่ภาษาไทยเราไม่มีรองรับอย่างลงอย่างลงอะไรล่ะรักษาโรคเนี่ยมันก็ห้วนๆใช่มั้ยแต่เรารู้รักษาให้หายโรคแต่ไป การรักษาโรคเอาไว้ก็ตัวแล้วไม่ใช่หมอที่ๆอีกหลายๆคำในภาษาไทยภาษาบาลีเค้ามีเยอะห้วนๆโรคพาวิเสธนาก็คือความเสื่อมความเสื่อมโรคแปลทิฐิแปลหมาย ตัดธุรกิจหมดเนื้อหมดตัวกล้าเป็นโรคนะนี่ไปรู้ประวัติเข้าไปโกงไปอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วทีนี้ตอนหลังมาเป็นโรคเป็นโรคบางอย่างที่เกี่ยว โอเคเดี๋ยวต้องไปเป็นโลกใหม่ในชาติใหม่กันต่อไปเพราะไอ้ เสียทรัพย์สินเสียอนาคตในเบื้องหน้าเรียนหมอก็ตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะพอประมาณอย่างชนิดนะเราเจ็บใจจริงๆมัน ตัวว่าปลายแม่บ้านนี่เราเจ็บมั้ยไม่เจ็บขอหายเจ็บมั้ยแต่ธาตุเสื่อมเพราะเกิดโรคนั้นบางคนก็เจ็บเฉพาะตัวบางคนถ้าเป็นตุ นะไอ้เจ็บกายก็คือเป็นโรคก็เป็นโรคคนนึงก็ไอ้เรานี่ อย่าไปเหยียดใครอะไรเนี่ยอย่าไปคิดถึงใครตาใครอย่าไปห่วงใครตาใครใครทํามาแล้วบางทีก็ยังทํา เออโอยสิราอ้าวอยู่ๆก็เกิดตายเพราะว่าเพราะอะไรตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้อะไรล่ะยิ่มเกี่ยวกับเลือดแล้วก็ แล้วก็ยังได้ฟังธรรมะก็ได้ที่สุดเกิดหายได้เออเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันธรรมะช่วยๆแม้แต่อุบัติเหตุคนจริงๆผมพูดนะผมได้ได้ แกอาตมามาชัยช่วยได้จริงเพราะเราได้ฝึกมาฝึกมานั่งกรรมฐานไอ้ได้เหมือนคนไม่ถื่นโทมนัสไอ้ยิ่งเข้าใจธรรมะนี่ท่าน หมายถึงศีลอันเป็นที่หลักของตัวละขาดเอ่อตรงนี้นั่นน่ะขอคู่คู่ไปกับทิฏฐิความสุขความเห็น ความสุขทั้งทั้งคนมีศีลกับคนแพร่อวิชชาเหมือนกันปกิสัยเหมือนกันได้เราเนี่ยมามัวรักษาศีลอยู่ถึงได้ก็ดูก็มีความสุขอ่ะแล้วทําไม ตอนเห็นผิดน่ะรวยเอารวยเอาพวกอย่างอาจารย์พระอริยบุตรนี่เนี่ยมีความเห็นเป็นอมระวิเกขปิกะวาทะความเห็นไม่อยู่กับเรื่อง ไอ้นู้นก็ไม่อยากครับตั้งโรงงานปลากระป๋องเอาเพื่อนไปชวนเข้าหุ้นปุ้นโลมปุ้นนอกสายเป็นหลายๆล้านอ่ะเข้าไปตั้งความเลี้ยง อ่าเราแบ่งอย่างนี้ซะก่อนสําหรับคนที่ไม่มีศีลเนี่ย คนที่ไม่มีความนั่นเป็นธรรมดาของเขาผิดเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมดาของเขาเขาจะพึงเกิดความ ตอนมีชีวิตอยู่นี่ก็จะทํามาค้าขายค้าข้าวค้าอะไรเนี่ยนะ 4 คนได้ แกก็มาลองสมหาลองอ่าจะเรียกว่ายังไงดีหมอพูดวันนี้ว่าดูเธอทรัพย์สินของเราเล่าหาไว้เมื่อตอนมีชีวิตเนี่ยถูกทําบ้างผิดทําบ้างเราไม่ให้ฟังแปลภาษา เอ่ออย่างนี้ก็เกิดขึ้นช็อกกรรมตามทันแต่นะจะเกิดความโทมนัส อ่านี่ก็ธรรมดานะเป็นเชื่อว่ามันเป็นผลบอกว่าเออถึงเกิดโทมนัส ทำไม่ถูกแล้วอย่างนี้เป็นอันตรายต่อภรมจรรย์ท่านก็เสียใจท่านทําไม่รู้ ก็ไม่มีหลักฐานมีความใครเลยไม่ต้องการเลยใครภรรยามา การสูญเสียสิ่งนั้นไปก็เกิดความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแต่ในทางไปโทมนัสถึงอย่างเพราะ ทำพันในความดีเมื่อเราเข้าโผถึงพ่อถึงแม่แล้วเราควรจะพลิกความคิดให้เป็นอย่างอื่นเช่นแล้วเดี๋ยวนี้ก็คงก็ตายไปแล้วพอเรา ไม่ต้องไปขัดขืนแบบเช่าโศกคราวนี้ถ้าเป็นความเห็นผิดคนที่เสื่อมความ ตั้งแต่ว่าปู่ยายเค้าว่ามาแล้วก็จะเชื่อแต่หลังตัวไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนานมาเอกลับมามาสอนย่าสอนยายมั่งมาเถียงพ่อแม่บ้างไอ้เรื่องที่พ่อแม่เคยปฏิบัติเคย จากใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะสอนแท้ในหลักที่มันไม่ตรงกับความคิดเหล่านี้นะหรือบางผมเจอมาอ่ะอย่าง ผมก็มาได้มาเรียนสูงไกลส่งไกลเหลือไงนะแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเค้าเปลี่ยนหมดเค้าไม่ชอบจะดินแล้วใครมาเลยเลยเลยพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็น่าน่าเสียดายนะน่าเสียดายเอ่อน้อง ไมโครเมียก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเราไม่ได้เป็นไปตามกรรมเป็นไปก็เค้าเค้าอาจจะนะแต่ว่าถ้าเมื่อใดเค้า วิบัติกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นในภายหลังเค้าอาจจะเกิดความเศร้าโศกความเป็น ก็จึงได้ต่างกระพูดที่มาโยมมนัสเฝ้าโศกอยู่ในปิตตวิสัยนี้ รู้ว่าเรียนปริญญาไม่ครบทั่วไม่จ่าแจ้งเราอาจจะยังไม่ชัดยังเครียดแรงไปแล้วอาจจะก็เล็กๆอ่านได้ นะนี่ก็มีผู้นี้คนหนึ่งจะตายลูกแกก็หมอทําบ่าวแกก็ทําบ่าวประกอบอาชีพก็ได้ทําน้อยทีเนี่ยแกขีรบอกเพราะว่าลับปากคือพอยมบาลเอาตัวไปแกก็ ร้องไห้บอกไม่ใช่ร้องไห้เพราะกลัวตกนรกนะแต่เนี่ยเนี่ยช่วง นลพมีนะแกก็ไปแล้วเข้าล่างผู้หญิงมาสั่งลูกถ่ายทอดเรื่องนี้มาให้ไอ้รักแม่มีรายละเอียดๆซึ่งก็ว่า ไอ้ชีวิตใหม่เนี่ยที่ตัวเองเคยคิดประมาณอื่นแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งเลยสมหมายถึงคํา ทรัพย์ถึงเงินทองอะไรพวกนี้นะเรียกว่าเป็นลมบัติถ้าไม่ถึงพร้อมเอาวิ่งเอาในมือตัวโดย 8 น่ะ 8 เนี่ยลาภ สรรเสริญคู่กับนิรันดร์สุขคู่กับทุกข์ใน 8 อย่าง 4 คู่นี้โดยธรรมดาถ้าเป็นโลกสมบัติจะก่อให้เกิดความดีแม้คุณหล่อแล้วเจอมึง ชาติมันยืนยันว่าทําให้เกิดโทมนัสสําหรับธรรมดาโลกพอเข้ามานินทา อ่าธรรม 8 ประการย่อมหมุนไปตามโลกโลกก็หมุนไปตามธรรม 8 ประการ ที่ท่านพูดโดยตรงไม่สะดุดเมื่อตั้งโลกกสมบัติแล้วก็เกิดความเสวมนัสกิริ๋หีติดใจเมื่อตั้งโลก ยังเสื่อมลาภมันก็คล้ายๆกับโภคภาวยตนะส่วนยศยศซึ่งได้แก่บริวารยศฤทธิ์อิสริยยศเกียรติยศต่างๆตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเดี๋ยวนี้นะก็ ครับพูดออกมาด้วยความรู้สึกอย่างนั้นถ้า 4 มีความทุกข์ทุกข์ตรงนี้ท่านหมายถึง ไม่ได้กําหนดไม่ได้พิจารณาเราจึงไม่สามารถที่ที่เรียกว่าแยกทุกข์ออกไปจากๆถ้าเราทํา มันแยกเลยแยกเลยมันรู้สึกว่าเรากําลังดูคนที่ทุกข์ระทมเหมือนงั้นแหละเราไม่ได้เจ็บไปด้วย เราไม่รู้ถึงความเสียใจครั้งแรกต่อๆกันไปอย่างนี้และเป็นตัวสัมปยุตอันตัวเครื่องปรุงวิบากนี้ที่เห็นได้ชัดมี 5 อย่างนั่นมีอดีตไกล คือทั้งโกรธวันนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลถ้าถ้าถ้ารุนแรงมากเนี่ยคนก็ก็รำคาญก็ไม่อยากคบเข้าใกล้แล้วก็ทํา ตามโกรธที่โกรธได้มักจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถ้าผิดนิดนึงอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วไม่โกรธ บางคนน่ะเห็นคนที่ขยับบนถนนโกรธข้อ 2 มีความคิดไม่ลึกซึ้ง เจตนากุศลจะมีความแตกต่างกันหลายตัวเลยนะบางคนโกรธเนี่ย อ่าอย่างนี้เวลาชอบยกก็อย่างเช่นโจรก็ถูกวินทาว่ากล่าวเช่นสมมุติเค้าด่าเราว่าอย่างถ้ามันจริงอย่างนี้น่ะ คนที่จะด่าคนว่าไงมันต้องนะมันถึงเข้าก่อนด้วยจะว่ายังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าหน้าคนพูดใจคนพูดหมาเต็มเลยไอ้ถึงดันให้เราเลี้ยงง่ายผมไม่ครับคุณเราเกลี้ยงคนเดียวอ่ะเดี๋ยวไปให้ อย่างนี้เราไม่โกรธนะรู้เรามาคิดในแง่ที่เราจะพูดกันในอเหตุกจิตอันนี้มีประโยชน์อ่ะเป็นคลือวิสาสนาว่าเค้าด่าแล้วเนี่ยเสียง <c oughs> ต้องเคยดูนะไอ้โคสานี่มันกินกินแรงงานเท่าไหร่ต้องอาวปากด่าต้องคิดว่าๆนะด่าไปด่ามาเดี๋ยวก็วนซ้ําเก่าครับเหมือนคนมันด่าเป็นเสียงต้องด่าคําด่าถ้าผมจําหมดแล้ว ไปสอบก็ได้ครับจะสอบก็ได้เว้ยจะได้เข้าไปต่างก็ด่าอะไรมาบ้างนะไม่ทราบไม่เห็นมีอะไรแล้วมันคิดตัวเรานี่มันโง่ขนาดไหนเค้าล้อนมาเราไปรับเนี่ยแหมพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเอาเอาของบรรณาการ ใครคนหนึ่งแล้วเขาไม่รับเมื่อของนั้นจะเป็นของใครก็ด้วย <c oughs> ผมไม่รับนะครับผมขอคืนหมดรับนะครับผมขอคืนหมดมันก็ทายเป็นของคนด่าแม้เป็นการรู้อีกทีนึงเค้าแต่อย่าไปเถล่งอย่างนั้นแล้วกันคุณ <laughs> ตามพวกมันไอ้ชิบหายพวกคนท่านแต่ก็พูดเนี่ยเราต้องใช้ว่าไอ้อะไรร้อนๆเราจะต้องเอา <c oughs> <c oughs> ของสกปรกน้ําตกตรวงจะไปล้างของสกปรกได้ไงมันก็จะเปื้อนกันใหญ่นะมุมคิดของท่านนี่เยอะเยอะใช้กรรมไปมันนะเป็นยากหน่อยนะหรือคิดว่า คนด่าก็มีคนถูกด่าก็มีแล้วจะไปโกรธอะไรครับจะโกรธผมคนเล็บปานหนังเนื้ออาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะดีเสม็ดหนองเลือดเค้าลึกอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นก็เกิด ในข้อที่ 3 เป็นผู้มีการสดับน้อยนี่เป็นธรรมดาครับคนที่ ไม่เลือกกันมาละนะในเรื่องไอ้หยับๆตําๆเค้าไม่มาโกรธกันแต่โกรธกันด้วยเรื่องหลักได้ระดับว่าเค้าทะเลาะกัน คนเราประสมพระเสรีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะฮะแต่ถ้าว่าตามกระแสเหตุแต่ละด้านแต่ละด้านเลยนะฮะเจ๋ง กับความยึดถือกับอวิชชามันเลยแต่ตํารงเป็นวิชาฆ่ามากๆนั้นช่วยลดกิเลสๆแล้วทําไมถึงยังเกเรนั้นตอนนี้ยัง จริงๆแล้วเราก็ช่วยได้หรือถ้าบอกว่านี่ดีนะคุณยังมาถูกผมแล้วมันแค่ด่านนิดแล้วเนี่ยเราดีกว่า ก็ได้อนุคมนี้คุณมันดีกับผมมาอยู่แล้วปลาลอย คือได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ๆนี่ก็ไม่อธิบายข้อได 5 ได้ โลกนั้นทางธรรมปฏายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของนะแต่อาฆาตโทษ 3 มัน หรือไอ้อารมณ์ไม่ดีมางี้โทสะมาอีกข้างนึงมีทั้ง โอ้อาคาดได้คิดว่าได้ทําความเสื่อมเสียแก่เราอ่าอันนี้เป็นคือปัจจุบันแล้วก็จักทําคืออนาคตเนี่ยคิดว่าเขาได้ทําเคยกับคนที่เรารักและ ได้ทํากําลังทําจักทําความเจริญหรือความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็นะไอ้เอ่อ ที่ทํากับตัวเราเองเนี่ยก็หมายถึงตัวเราเองจะเป็นได้ทํามาแล้วกําลังทําหรือจะทําก็แล้วแต่ทําให้เกิดความโกรธได้ใน 3 ที่อย่างนี้อันไหนสึกการไหนถือ ปัจจุบันนี้ชีวิตน่าเห็นใจหน่อยนะพอกําลังทํา นี่เสือกเขาสามองการไกลคนได้มองการไกลไอ้จะเป็นบัญญัติการไกลดีๆกิเลส ไม่เหมือนกับตาในรายจานจริจานเนี่ยมันแค่จะนะแต่ธรรมดาและมนุษย์เราจริงๆใจหายบทเลวก็เลวใจหายเหมือนกันว่าเราไม่ชอบใคร เราต้องจับกันเราต้องนึกอ่าปุริศาแต่คนแม้ไม่ชอบได้อันนี้ถ้าคนอื่น เอ่อกล่อมใจตัวเองให้เป็นเมตตากับทุกคนก่อนแล้วถึงไปแผ่ให้กับ ธรรมดาถ้าเป็นคนเนี่ยท่านถือว่าเป็นความโกรธที่เอาละถึงน่าน่าเห็นใจพูดอย่างนั้นก็น่าเห็นใจแต่ดูที่มี การเหยียบซ้ําปล่อยตามตีซ้ํามันรู้สึกเจ็บมากกว่าเก่าอีกนะพี่ๆแต่ว่าไอ้ตอนหลังมันมีความสุขครับ ทั้งหลายทั้งตัวนี้อ่ะโกรธไม่ได้ครับแม้แต่แก๊สระเบิดเนี่ยเราโกรธแก๊สได้มั้ยเราจะไปโทษทุกอะไรเนี่ยแล้วก็พูดพูดถึงควรไม่ควร บางทีเรามันเกี่ยวพันกับคนอื่นมาโกรธคนมาอะไรมาประกฎหมดเลยอะไรหวงหูหวงตานะไปสร้างความเจริญให้คน เดินสวนทางพระพุทธเจ้ากําลังออกบิณฑบาตเจ้าชายเห็นนี้วิลาบาดอะไรได้อะไรมั่งไหนมาดูสิเจ้าเอาไม้ เหลือพิษสาดแตกเลยดูที่ไปหาเรื่องกับท่านท่านแล้วตกนรกเป็นนรกแบบขึ้นไปขึ้นมาถ้าตัวเอง ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโกรธแบบนี้เป็นโกรธแบบอนันตภานนะ 2 อย่าง ต้องดูกวน